การเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบางัง สู้แดดผลไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบาน ง, งามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรม นอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาปันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่อง รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานำข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้ติดตามหากเกี่ยวกับกรณีการยื่นตีความกฎหมายลูกนะครับนะกฎหมายประกอบรัฐนูญว่าโดยการเลือกตั้งสสสวซึ่งตอนแรกในสนชยืน่น ให้สารรับนินตีความกฎหมายลูกสอว อ, อย่างเดียวเพราะว่าเกงจะกระทบรถแมพนะการเลือกตั้งนะว่าจะไม่จะกระทบว่าจะไม่ทันเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่นายจงตรีประกาศนะครับแต่ว่าตอนนี้มีการาเปลี่ยนใจนะมีการยื่นตีความกฎหมายลูกสวด้วยนะครับจากการเปิดเผยของนายกิติศักดิ์ รัตนวราหะเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาสมาชิกสอสชอบอกว่ า, อาสอสชอก็จะรวบรวม ร, วม ร, วมรวมายชื่อเพื่อที่จะยื่นเสนอยื่นร่างพรบประกอบรัฐธรรม น, นูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสให้สารรัฐธรรมนูญตีความนะครับนะซึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ในส่วนของนายกตีนี่ก็ยัง ยังยังถือกฎหมายนี้อยู่จากจากกฎหมายของเลือกสสเนี่ยนะครับไปส่งจากสนชไปถึงนายจุ้งตีนะนายจุ้งตีก็ยังให้ทีมกฎหมายทบทวนเพราะฉะนั้นทางสมาชิกสนชก็สามารถที่จะยื่นให้ศาลน้ำนุนตีความวินิจฉัยได้นะครับว่าขัดหรือไม่ขัดนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้นี่ก็มีการรวบรวม ร, วมรวมายชื่อกันนะครับแล้วก็เสนอต่อประธานสนชซึ่งตรงนี้นี่ก็ ต้องรวบรวมรายชื่อประมาณ 25-30 คนล่ะครับนะยื่นให้กับประธานสนชนะครับซึ่งประธานสนชก็จะยื่นต่อศาลรันล้นะูญนะต่อไปก็คาดว่าจะภายในวันที่2เมษายนนะครับแนตะ่ึงก็ต้องติดตามดูล่ะครับนะนะเพราะว่านะการนะอย่างที่บอกลครับว่าเงื่อนไขเวลานี้ก็จะนะค่อนข้างที่จะร่นเข้ามานะครับนะก็จะต้องใช้เวลาว่าจะกระทบกระดอนแบบหรือไม่ส่วน เกี่ยวกับกฎหมายลูกสอวอนะครับนะในวันที่28ในศารน้านูนได้มีเอกสารข่าวสารเผยแพร่นะครับว่าผลการพิจารณาของศาล น, น้านูนกรณีที่สมาชิกของสอชอ30คนยื่นขอให้ศาล น, น้านูนวินิจฉัยนะครับนะว่าร่างพร บ, บประกอบประมูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอสมาชิกวุฒิสภา ครับขัดหรือแย้งกับ ร, รัฐมนูนหรือไม่นะครับนะคือให้ดูมาตรา91ถึงมาตรา96นะครับในในร่างพรบรซึ่งตรงนี้สานำนูนก็รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วนะครับนะแล้วก็จะได้แจ้งให้กับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้ทราบกันต่อไปนะครับนะพรงี้ตรงนี้คงจะต้องติดตามดูแลครับ ว, ว่าว่าจะ มีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนี่ก็ยื่นตีความไปส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงเตรียมการเลือกตั้งนี่นะครับนะในส่วนนี้นี่ในส่วนของกกตมีการหาลือกับพรรคการเมืองตัวแทนเครือข่ายการเมืองนะครับซึ่งเมื่อวันที่28ที่ตรงโรงแรมเซนทาราสุนชัช ก, กาเนี่ยครับมีการประชุมระหว่างกกตกับในส่วนของ พักการเมืองแหละครับนะว่าจะหารือกันอย่างไรมีกะกะตเข้าร่วมกันเหลืออยู่4คนนะครับนะกรกะตนําโดยประธานคือนายสุประชัยสมเจริญนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กะกะตมาชี้แจงนะครับนะมาพูดมาคุยกันนะครับแต่โดยกอย็อย่างที่บอกนะครับว่าทางพักการเมืองพักเก่านี่ก็จะมีการซักถามโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บค่าสมาชิกพักนะครับคือให้ มีการกำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองพรรคเก่าเนี่ยต้องยืนยันสมาชิกภายในวันที่30เมษานะครับแล้วก็จะต้องมีการชำระค่าสมาชิกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ในส่วนนี้นี่ในส่วนของพรรคการเมืองนี่ก็ยังดูอยู่ว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรนะครับนะ่ะจะต้องมีการมาชำระโอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆกันได้หรือไม่เนี่ยมีการซักถามกันนะครับนะว่า ก็จะทําอย่างไรนะครับแต่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคเก่าๆนี่นะครับก็ก็เข้ามาร่วมรับฟังนะครับแล้วก็ในขณะที่ในส่วนของพรรคการเมืองนี่ก็รอปลดล็อกทางการเมืองการปลดล็อกทางการเมืองก็คือการที่คอสชอนี่มีมีประกาศอนุญาตให้พรรคการเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเช่นมิการนะประชุมนะสมาชิกนะการมาละดมสมองทำ นโยบายไดต่างๆเนี่ยตรงนี้นี่ก็ยังยังยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็มีบางพักได้รับอนุญาตอย่างเช่นพักทางเลือกใหม่เนี่ยนะครับนี่อนุญาตให้มีการประชุมมีการอะไรต่างๆแต่พักอื่นนี่ก็ยังนะครับคงจะต้องรอดูว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนะีเพราะว่าก็ตอนนี้นี่ก็หลายๆพักการเมืองโดยเฉพาะพักเก่านี่ก็เริ่มนะครับที่จ ะ, ะมี การระดมสมองมีการมาพูดถึงนโยบายต่างๆผ่านหน้าสื่อมวลชนเราจะเห็นนะครับนวะวันเริ่มแกนนําพรรคเนี่ยเริ่มมีการมาพูดมาคุยนะเสนอนโยบายแนวทางอะไรต่างๆนะครับแนตะ่ซึ่งตรงนี้นี่เขาคงจะชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับน ะ, ะในขณะที่ศาลน้านูนนี่ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะวินิจฉัยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของร่างนะพรบรประกอบพนุนที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสสกับ ส, บสอวอ เพราะว่าถ้าในส่วนของสารมีมติออกมาอย่างไรเนี่ยก็จะทำให้การเดินหน้าตามรถแบบนี้ขยับนะไปนะครับหลายๆคนกนะ็สนใจเรื่องนี้อยู่นะครับมารับฟังมามาลมารับฟังเพลงกันสักเพลงแล้วก่อนที่จะเราจะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ ใต้แสงดาวเน็บหนาวราวง่ายเงาอันโหดร้ายอกกอดใจไายูลมโบกโวยพัดกิ่งไหวทิ้งใบร่วงลงสดดินหวงใยเธอเลือเกิน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 แปรเปลี่ยนคำสัญญาที่ไม่ได้เขียนจึงเปลี่ยนแปลงลืม จ, จริงหรือไม่อยากจำคำทุกคำล้วนเแสแซ้งเจ้าใจดำซ้ำยังใจแข็งยิ่งกว่าดินแล้งที่ขาดฝนรอคอยจนน้อยใจ เป็นไปไม่คืนรังลืมคนอยู่ข้างลังอีกทั้งคนเพราะรักถึงยังรออยากจะขอร้องสักคนหลับมาเิดหน้าน่ามนพี่จนแต่จริงใจ แซงเจ้าใจดำซ้ำยังใจแข็งยิ่งกว่าดินแล้งที่ขาดฝนรอคอยจนน้อยใจบินไปไม่คืนรังลืมคนอยู่ข้างลังอีกทั้งคนเรารักถึงยังรอ จะขอร้องสะคนกลับมาเทดหน้าน้ามนาพี่จนแต่จริงใจกลับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับซึ่งในช่วงนี้นี่เราจ ะ, ะเห็นข่าวใหญ่นะครับในแวทวง ธุรกิจที่เราต้องเจ็บจับตามองคือการที่แบงค์ธนาคารขนาดใหญ่หลายธนาคารนะครับนะที่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์นะครับหรือว่าในส่วนของกรุงไทยนะครับนะในส่วนของกสิกรไทยกรุงเทพนะครับหลายๆธนาคารประกาศเลิกค่าธรรมเนียมนะครับ ต่างๆของการทำอีแบงกิ e ้งนะครับนะคือการที่ลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือในการทําธุรกรรมนะทางทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจ่ายบินเติมเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ปรากฏว่าแบงก์ใหญ่เพิ่งประกาศกันไปเมื่อไ ม, ไม่ไม่กี่วันนี่แหละครับนะทำให้เกิด ผ, ผลกระทบรุนแรงพอสมควรล่ะครับเพราะว่ า, าการที่ ในส่วนของธนาคารขนาดใหญ่นะครับมีการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมนะก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นการแย่งชิงจำนวนลูกค้านะครับที่ใชนะ้ทำธุรกรรมทางดิจิทัลนะครับนะเนืาะว่าตอนนี้นี่เราจะเห็นว่าลูกค้านี่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกันมากส่วนใหญ่การนะชำระค่าธรรมเนียมการโอนการอะไรต่างๆที่ทำผ่านนะโทรศรัพท์มือถือนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กัน มากขึ้นเรื่อยๆแบงก์ก็ต้องปรับตัวแล้วครับอย่างเช่นในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ในนายธนาเทียนอัชริยะรองผู้จัดการใหญ่อวุโสนะครับ ก, ก็บอกว่าธนาคารยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน s c b e ีนะครับในธุรกรรมการเงินที่ลูกค้าใช้จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินข้ามเขตโอนข้ามธนาคารเติมเงิน จ่ายบินค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่มีผลตั้งแต่วันที่26มีนาเป็นต้นไปนั่นะนะก็นำล่องกันมาก่อนเลยนะครับจากไทยพาณิชย์นะครับก็มาธนาคารอื่นๆก็ตามมานะครับนะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกาะิกรไทยกรุงเทพนะครับต่อจากการเปิดเผยของนายธนาซึ่งเป็นรองผู้จัดจการใหญ่อาบโสของไทยพาณิชย์บอกว่าตอนนี้นิด ธนาคารเตรียมแผนสื่อสารการตลาดนะครับนะก็มีการพยายามโปรโมทให้ลูกค้ามาใช้ e banking นะครับหรือผ่านแอปพลิเคชันของของธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้มีการคาดหวังว่าลูกค้านี่จะจะมีมากขึ้นส่วนทางด้านธนาคารกรุงไทยในพยงศรีวณิธกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์กรุงไทยก็บอกว่าตั้งแต่วันที่29มีนาคมไปต้นไป ธนาคารกรุงไทยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตหรือโอนต่างธนาคารนะหรือการจ่ายบินค่าสินค้าค่าบริการเติมเงินอะไรต่างๆที่ผ่านทางเคทีบี b น็ตง k นะครับนะจนก็มีผลทันทีนะรวมทั้งกสิกรไทยก็ตามมานะครับนะฟรีเหมือนกันค่าโอนเติมจ่ายนะผ่านทางเคพัฒนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ตามมาอีกเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่ ก็จ ะ, ะทำให้ผลประโยชน์ตกกับประชาชนแล้วครับนะเพราะประชาชนก็ก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมต่างๆอาจจะมีคนมาใช้แอปพลิเคชันของอีแบงกิ้งของไทยธนาคารต่างๆนี่มากขึ้นในการทำธุรกรรมนะก็ะน่าจะเข้าสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0 มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์กันกันมากก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่ แบงก์ต้องมีการปรับปรุงตัวแต่ว่าอาจจะมีการกระทบกับในส่วนของบริการเติมเงินมือถือนะจุดย่อยๆนะบริษัทที่ให้บริการหรือว่าบรรดาเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆนะของของศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับนะเพราะว่าในส่วนของประชาชนก็อาจจะไปใช้แอปพลิเคชันของธนาคารใหญ่เป็นหลักนะครับใ น, ในการทําธุรกรรม นะครับใ น, ะนตรงนี้คงจะต้องติดตามดูนะครับว่ า, วาจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรนะในส่วนของนี้รัฐบาลนี่เร่งนะที่จะให้นะเกษตรกรนี่ขายสินค้าออนไลน์นาะยงตีก็ว่ารองนายจงตีว่าอย่างนั้นนะครับจะเป็นไปได้หรือไม่ติดก็คงจะต้องตามดูเพราะว่าจากการเปิดเผยของนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายจงตี ก็เปิดเผยปติตามงานของกระทรวงเกษตรนะครับได้รับการฟังคำรายงานของของรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้มอบนโยบายนะครับว่าจะให้มีการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการค้าออนไลน์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะก็ได้เชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตไปในทุกหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ยืนยันได้ว่าไม่ ในทุกหมู่บ้านนี้มีอินเทอร์เน็ตลงไปก็ล อ, ลองลองตรวจสอบกันดูนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ชนบทมาเป็นจริงหรือไม่นะรัฐบาลยืนยั น, นแล้วก็จะทำให้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับตลาดสินค้าออนไลน์นะครับของบริษัทอาลีบาบานะครับซึ่งอาลีบาบาเนี่เป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ของโลกครับนะมาจากนักธุรกิจของจีนนะครับแต่ว่า มียอดขายในสูงนะเป็นแสนล้านนะในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามีการเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนนะครับพวกโอท็อปก็ดีนะครับหรือว่าในส่วนของสินค้าเกษตรนะพวกผักพวกผลไม้นะครับนะถ้าเป็นเหล่านี้ถ้าเชื่อมโยงมีการขายจำหน่ายผ่านออนไลน์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแะครับนะเกษตรกรก็มีทางเลือกมากขึ้นก็จะทาให้ราคา ผลผลิตราคาจะสูงขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรนองนายกก็บอกว่าการขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร e ์ซจะพลิกโฉมภาคเกษตรนะก็ย้ำให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดต้องไปดูแลนะครับไปทำให้ได้นะครับนะว่าะ่ัพ่ามีการย้ำ ม, มอบนโยบายกันไปนะครับคงจะต้องอดูแล้วว่าจะผลักดันกันกันอย่างไรนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของ มีโมเดิร์นเทรดในในบางบางบางศูนย์การค้านะศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะครับนะนะมามีการทำรถเคลื่อนที่นะขายสินค้านะเรียนแบบรถพุ่มพวงนะครับเท่าที่เห็นเนียก็มีจากห้างสปปรรพสินค้าห้างปีกใหญ่นะครับนะขนาดใหญ่นะที่เห็นก็จะมีบิ๊กซีบ้างมี f ฟม i l ีมีได้หลายยี่ห้อเนียจะทำ ลดนะโมบายเคลื่อนที่ขายสินค้าอุปโภคบริปโภคกระจายไปตามชุมชนนี่ในส่วนนี้ตันตีพานิชคือนายสนทิรัตน์สนทิจิรวงก็เบรกสั่งเบรกอยู่นะครับนะเพราะว่าอาจจะกระทบกับการขายสินค้าของร้านค้าในชุมชนนะครับก็ก็จะใช้พรบรเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันทางการค้าเข้ามาดูแลนะก็ก็ดีแล้วครับนะเพราะว่าถ้ามีการทำ ะบะเบ่ขายสินค้าไปในชุมชนก็จะกระทบแหละครับเพราะว่าในชนบทนี่พี่น้องที่ทำอาชีพทำรถพุ่มพวงไปขายไปเล่ตามหมู่บ้านนี่ก็มีไรายได้เล็กๆน้อยๆ น, ยนะครับเป็นเศรษฐกิจที่กระจายตัวเคลื่อนตัวอยู่ตามหมู่บ้านนี่ จ, จะได้รับผลผลกระทบนะเพราะว่าจะสู้โมเดิลเทรดคือการค้ารถโมบายของโมเดิลเทรดของห้างสรรพสินค้าห้างยักษ์นี่ไม่ได้นะครับนะเพราะว่า าบ้านเนี่ย จ, จะมีทุนจำกัดนะคงจะต้องคงจะต้องดูนะครับนะว่าว่าจะจัดการอย่างไรนะครับนะพอมีมีมีการเผยแพรนะ่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียกันมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่โมเดิลเทรดมาทำนะลดนะจำน่ายสินค้าอรปโภคบริโภคกระจายกันไปนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับนะในชุมชนในอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะพอมันคงจะต้องดู ผลกระทบนะคงคงจะต้องมามามาเล่งนะฟื้น ฟ, ฟูเศรษฐกิจฐานรากแหะครับรัฐบาลนะครับว่าทำยังไงที่จะทําให้รายได้ของพี่น้องของชาวบ้านเนี่เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับนะโดยเฉพาะราคาผลผลิตทางทางการเกษตรนะครับนะคงจะต้องพยายามหาวิธีราคาข้าวราคายางราคามันสำปะหลังราคาอ้อยต่างๆนี่พยายามที่จะทําให้ขยับราคานี่สูงขึ้น ได้อย่างไรนะครับน่คงจะต้องดูที่การส่งออกนะครับทั้งตลาดใดต่างกันกันด้วยในขณะที่ตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางจีนทางยุโรปในี่เริ่มมีสงครามการค้ามีการตั้งกำแพงภาษีนะสินค้าของแต่ละประเทศก็จะมีการกระทบกับสินค้าไทยหรือไม่นะครับเพราะเราก็ส่งออกไปขายอย่าง สหรัฐอเมริกาทางยุโรปนี่จำนวนสูงเลยแล้วเราก็ค้าขายกับจีนมากนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องจ้องดูนะครับว่าการตั้งกาแพงภาษนะีการเริ่มที่จะมีการทำสงครามทางการค้านี่จะกระทบนะกับนะสินค้าของของบ้านเราหรือไม่เพราะาเราผูกพันกั บ, กบตลาดโลกนะครับรวมทั้งนะการที่กําหนดค่าเงินไม่ให้แข็งตัวมากนะครับคนะ่าเงินบาท ถ้าเงินบาทนี้แข็งตัวเราก็จะส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศได้น้อยนะครับนะเพราะราคาสินค้าจากบ้านเราจะแพงกว่าประเทศคู่แข่งนะอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นกัมพูชาหรือว่าอินเดียหรือว่าในส่วนของประเทศรอบๆเรานี่ยนะที่เป็นคู่แข่งคงจะต้องดูทางด้านอัตาราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของนะการ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 อยาก็ลวนเป็นไปตามกันมก็จำทนโอ้อานิจจังโอ้อานิ จ, จนอย่าไปเพิ่งอยากมีบ้านเล็กนสักหลังอยากมีรถมอเตอไซค์สักคันนอนฝันเอาสิเออเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนใครใครคนตอ จนขัดสนจนเบือแต่ก็ทนไว้สู้กันหน่อยนาสู้กันไปไม่ต้องคอยวาสนาไม่หล่อและจน ทนลนบากแตตราตรึงงานหนักก็เอางานเบาก็ทำก็เพื่อเธออยากมีบ้านเล็กๆสักหลังอยากมีรถมอไซค์สักคันนอนฝันเอาสิเธอเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนใครคร ขบับซนจนเบือแต่ก็ทนไว้ อยากไม่สนหาเช้ากินค่ำอยู่เสมออยากมีบ้านเล็กๆสักหลังอยากมีรถมอไซส์สักคันนอนฝันเอาสิเออเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนใครๆทุกคนต้องเจอเกิดแก่เจ็บจน